มีเด็กสองคนนะเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเด็กชายเนี่ยมีลูกแก้วนี่อยู่หลายลูกเลยสวยๆทั้งนั้นส่วนเด็กหญิงนี่ก็มีลูกกวาดน่ากินอร่อยเด็กชายเนี่ยเห็นเพื่อนมีลูกกวาดอยากได้ก็เลยบอกเพื่อนว่า เรามาแลกกันไหมเธอให้ลูกกวาดฉันหมดเลยนะฉันก็จะยกลูกแก้วเนี่ยให้เธอหมดเหมือนกันเด็กก็ตกลงนะทั้งสองคนก็ตกลงเด็กหญิงเนี่ยให้ลูกกวาดหมดเลยตามที่ตกลงกันไว้แต่เด็กชายเนี่ยให้ไม่หมดนะเก็บลูกแก้วที่ สวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนี่เอาไว้ที่เหลือนี่ให้เพื่อนหมดตัวเด็กหญิงเนี่ยคืนนั้นเนี่ยหลับสบายแต่เด็กชายเนี่ยนอนไม่หลับที่นอนไม่หลับเพราะหนึ่งเนี่ยกลัวว่าเพื่อนจะรู้ความจริงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ทําตามที่ตกลง ตัวใตัวเองนี่ขยักเอาไว้ลูกแก้วจำนวนหนึ่งแล้วขณะดเดียวกันนะเด็กชายนี่ก็ที่นอนไม่หลับอีกประการหนึ่งเพราะสงสัยระแวงว่าเพื่อนเนี่ยนะจะให้ลูกกวาดตัวเองนีหมดจริงหรือเปล่าหรือว่าขยักเอาไว้นะซ่อนเอาไว้จำนวนหนึ่งเหมือนกับที่ตัวเองทา ก็เลยนอนไม่หลับเลยเด็กหญิงเนี่ยนอนหลับสบายเพราะว่าได้ทําตามที่ตกลงให้หมดเลย ล, ลูกกวาดแต่เด็กชายนี่นอนไม่หลับทั้งที่ก็ได้ลูกกวาดครบแล้วก็แถมยังเก็บลูกแก้วจํานวนหนึ่งเอาไว้อันนี้มันเชื่อเลยนะ จิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นะแม้ว่าจะได้ลูกกวาดมาครบนะแต่ก็ไม่มีความสุขเพราะอยากจะได้อีกได้แล้วก็ไม่พอใจแล้วมีน้ำซ้ำนะไอ้จิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันก็เลยล่อหลอกให้เด็กชายเนี่ยโกหก ไม่ทำตามที่ตกลงจะเรียกว่าโกงก็ได้นะซึ่งก็ทาให้เกิดผลเสียตามมาผลเสียที่ว่านี่คือความทุกขนะ์ความร้อนใจร้อนใจเพราะอะไรร้อนใจเพราะกลัวว่าความจริงจะเปิดเผยว่าเพื่อนจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยโกงอันนี้นะ มันก็ทำให้เป็นเครื่องชี้เลยนะว่าคนเราเนี่ยนะหากว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือโกหกแล้วก็โกงเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจตามมาแม้จะได้เยอะนะ ว่าข้างในเนี่ยร้อนข้างในนี่พร่องนะคือความสุขพร่องมันไม่ใช่แค่กลัวว่าความจริงจะเปิดเผยนะหรือความจริงจะเพื่อนจะร่วงรู้ว่าตัวเองโกหกหรือโกงเนี่ยจะมีทําให้เกิดจิตที่คิดระแวงด้วยระแวงว่าเพื่อนก็จะโกงเหมือนตัวไอ้จิตที่คิดระแวงนี่นะ มันก็ทำให้ไม่มีความสุขเหมือนกันจิต ท, ที่คิดจะเอานะทำให้ไม่มีความสุขแม้จะได้มาอย่างที่ต้องการนะได้แล้วก็ยังอยากได้อีกเพราะมันคิดระแวงนะว่าเพื่อนเนี่ยมีมากกว่านั้นแต่ไม่ให้กักเอาไวนะ้ที่คิดแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองทำ ก็เลยคิดว่าคนหน่เงเขาจะทําอย่างนั้นบ้างพอคิดว่าเพื่อนจะพอคิด่าเพื่อนจะทำอย่างนั้นบ้างเนี่ยอันนี้เราคิดลบคิดร้ายคิดเราแวงมันก็เลยทุกเลยแล้วที่ตัวเองทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตคิดจะเอาอยากได้มากนะแล้วก็เสียดายที่มีอยู่ของที่มีอยู่นะทั้งที่โกงสําเร็จนะหลอกได้สําเร็จ นะแต่ว่าทุกนะมันคุ้มกันหรือเปล่านะเด็กหญิงเนี่ยนะให้หมดเลยแต่ว่าหลับสบายเด็กชายนะให้ไม่หมดกักเอาไว้แล้วก็ทำได้สำเร็จด้วยแต่ไม่มีความสุขนะทั้งกลัวว่าเพื่อนจะรู้ความจริงทั้ง คิดระแวงว่าเนี่ยเพื่อนจะทําเหมือนตัวคนเราถ้าทําความดีนะรับปากแล้วก็ทําอย่างที่พูดเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องที่จะทําให้อยู่ร้อนนอนทุกข์นะอย่างเด็กหญิงเนี่ยหลับสบายเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมีความสุขนะไม่อยากจะอยู่ร้อนนอนทุกข์เนี่ย ใอ้การทำความดีหรืออยงน้อยเนี่ยไม่ทำชั่วเนี่ยไม่ผิดศีลเนี่ยเช่นไม่โกหกไม่โกงไม่กักเอาไว้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ความทุกข์ไม่มารบ ก, กวนจิตใจาความดีเนี่ยนะมันเปรียบเหมือนกับกำแพงนะหรือปราการที่สามารถจะ ป้องกันไม่ให้ความทุกข์มาคุกคามรบกวนจิตใจได้ในตรงในทางตรงข้ามเนี่ยการผิดศีลการโกงนะการโกหกแม้ว่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้สิ่งที่ต้องการได้เยอะขึ้นเสียน้อยลงแต่ว่า ไม่มีความสุขใจถามว่ามันคุ้มกันไหมนะคนเราไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดว่ามันคุ้มกันหรือเปล่าระหว่างการโกงการทุจริตและทําสําเร็จด้วยนะได้มาอย่างที่ต้องการแต่ไม่มีความสุขใจเพราะกลัวว่าคนหน่งจะรู้ความจริงกลัวว่าชื่อเสียงจะเสียหาย กลัวว่าจะถูกตำรวจจับนะเสร็จแล้วก็ระแวงว่าคนอื่นก็จะรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตัวเองเระแวงว่าเขาจะรู้ความจริงบางทีก็หาทางกลันกล่นแกล้งนะหาทางกลันกล่นแกล้งเช่นถ้าเกิดตัวเองเนี่ยนะเป็นผู้มีอำนาจนะหรือเป็นผ อ, อหรือเป็นผู้บังคับบัญชา เราแบ่งว่าจะมีคนรู้ความจริงว่าเราโกงก็ต้องหาทางเด้งหาทางกำจัดให้ออกไปนะจากาแวบวงของตัวหรือบางทีหนักกว่านั้นนะกำจัดเลยนะให้ตายไปเลยนะเรียกว่าปิดปากนะเรียกว่าจากความผิดเล็กน้อย หรือความผิดที่ไม่อุกชะกันกลายเป็นความผิดที่รุนแรงมากขึ้นนะไอ้ลักขโมยนี่มันก็ถือว่าแม้จะเป็นความผิดแต่มันก็เบาวกว่าการไปทำร้ายเขาถึงตายเพียงเพื่อปิดปากนะแล้วบางทีคนที่ถูกทำร้ายนี่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยซ้ำแต่ว่าคนที่ทำผิดเนี่ยเขาระแวง ระแวงก็เลยจัดการกลายเป็นว่าทำบาปทำผิดหนักข้อขึ้นและนี้ไม่นำน ะ, ะความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการที่ลักขโมยบางทีมีปัญหานะทำสำเร็จแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่โกงมาได้เนี่ยไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนมีนะ จะเอาเข้าธนาคารก็กลัวว่าคุณจะรู้นะธุรกรรมเดี๋ยวนี้เข้าธนาคารเอาเข้าธนาคารเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นหลักฐานได้ดูดีในกฎหมายฟ้องเงินเขาก็มีความระมัดระวังมากนะใครที่เอาเงินจํานวนมากๆเนี่ยหลายสิบล้านนี่ฝากาธนาคารเนี่ยนอกจากเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพิรุธด้วย ัวคนก็จะจับได้ก็เลยเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านนี่ก็กลุ่มบอกุ้มใจนะว่าแล้วจะป้องกันให้คนเขารู้ได้ยังไงแล้วบางทีนะคนก็รู้จนได้นะอย่างเมื่อสิบกว่ปีก่อนเนะี่ยมีค้ารกันท่านบุใหญ่นี่เก็บเงินเอาไว้เป็นเงินสดนี่หลายสิบล้านเลยไว้ที่บ้านเพราะว่าเอาเข้าธนาคารไม่ได้นะ จะใช้ก็ใช้ไม่หมดแล้วจะใช้ซื้อเงินสดเนี่ยมก็กระไรอยู่นะซื้อรถนะห้า 5, 000, 10, 000, ล้านสิบล้านดึงเงินสดนี่มันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะผิดสังเกตก็เลยไม่รู้จะใช้เงินนั้นยังไงต้องซุกเอาไว้เพราะกลัวว่ามีโจรมีขโมยเข้าบ้านไอ้ขโมยมันไม่รู้หรอกแต่มันไปเจอเงินมัน้นเงินไปเป็นสิบล้านเลยเพราะกลัวว่า จนถูกจับได้ความก็เลยแตกนะว่าตำรวจสงสัยเอางเงินเยอะๆนี้มาจากไหนก็กลายเป็นว่าความจริงเนี่ยที่ตัวเองปิดบังเนี่ยสุดท้ายมันก็เปิดเผยนะติดคุกติดตารางไปหรือว่าชื่อเสียงเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยอย่าไปคิดหวังว่าจะได้เยอะๆพอถ้าคิดได้เยอะๆหรือมีจิตคิดจะเอาเนี่ยมันง่ายที่จะทําให้เราทําชั่วทําผิดศีล จะดีกว่าถ้าว่าเราตั้งใจนะที่จะทำความดีหลีกหนีความชั่วนะไม่โกงหรือแม้แต่กระทั่งโกหกนะทำตามที่ตกลงไว้ไม่มีโกหกไม่มีนอกไม่มีในนะอย่างเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะหลับสบายนะเด็กชายนี่ได้มาแล้วไม่มีความสุขนะพะอยากจะได้อีก พอราแวงว่าเพื่อนนี่คงจะมีมากกว่านี้แค่นี้ก็ไม่มีความสุขแล้วและแถมยังเป็นทุกข์เพราะว่ากักเอาไว้นะไม่ได้ทําตามสัญญานี่ก็เป็นทุกข์อีกชั้นหนึ่งนะถ้าเรามีจิตนะที่คิดจะให้นะว่ามันช่วยทําให้มีความสุขได้ง่ายและมันช่วยทํา ใ, ให้การที่จะเผลอทําชั่วด้วยความโลภมัน มีโ อ, อกาสน้อยลง